นีี้ดเรื่องเล่าขย่าวขวัญที่ตายสวัสดีครับผมชื่อโน้ตทำงานเป็นครูสอนชั้นประถมที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดวันนี้ผมมีประสบการณ์ที่น่าขนหัวลุกจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4-5 หปีก่อนในตอนที่ผมเพิ่งสอบบรรจุได้ใหม่ๆแล้วก็เพิ่งเข้ามาสอนที่โรงเรียนที่ผมสอนอยู่ตอนนี้ ผมที่เช่าบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนเป็นบ้านไม้หลังเล็ก2ชั้นสีครีมมีสวนเล็กๆรอบบ้านมีรั้วเหล็กกั้นเรียบร้อยสภาพบ้านนั้นใหม่เอี่ยมและสะอาดมากเจ้าของบ้านบอกว่าเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ไม่ถึงปีด้วยซ้ําอีกทั้งเมื่อเขาบอกค่าเช่าบ้านมาก็ทําให้ผมอึ้งเพราะราคาถูกมากเพียงเดือนละสามพบาทเท่านั้นเองเห็นแบบนี้ผมจึงรีบตอบตกลงเช่าบ้านหลังนั้นไปโดยไม่คิดอะไรมาก แม้ว่าจะต้องจ่ายล่วงหน้าถึงสเดือนเพื่อเป็นค่าประกันก็ตามเพราะจะหาบ้านเช่าสภาพดีๆราคาถูกกว่านี้คงไม่มีอีกแล้วผมในตอนนั้นคิดแต่ว่าตัวเองนั้นช่างโชคดีจริงๆวันแรกที่ผมย้ายเข้าบ้านก็หมดไปกับการเก็บข้าวของจัดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆและทำความสะอาดบ้านหลังจากการทุกอย่างเรียบร้อยผมก็มานั่งในห้องนั่งเล่นตรงกลางบ้านนำโน้ตบุ๊กออกมาตั้งบนโต๊ะกาแฟเล็กๆติดกับโซฟา เพื่อที่จะจัดทำแผนการสอนผมทำงานเสร็จในเวลาประมาณสีทุ่มเมื่อหันไปมองนาฬิกาผมก็คิดว่าควรเข้านอนได้แล้วจึงลุกไปอาบน้ำและเข้านอนจากนั้นผมสะดุ้งตื่นในเวลาดึกน่าจะราวตีหนึ่งตีสองเพราะได้ยินเสียงประหลาดเป็นเสียงคล้ายโซ่ถูกลากกับพื้นและเสียงเหล็กกระทบกันดังยิ่งกว่านั้นผมยังได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินดังไปพร้อมๆกันอีกด้วย เสียงน่ากลัวที่ได้ยินนี้ใกล้มากจนผมคิดว่าน่าจะมาจากที่หน้าห้องนอนของผมนี้เองผมจินตนาการเห็นภาพคนถูกล่ามโซ่ที่ข้อเท้ากําลังเดินวนไปวนมาอยู่หน้าห้องในเวลานี้พอนึกแบบนั้นแล้วเส้นขนบนแขนผมก็ลุกสู้และผมก็รู้สึกหนาวสะทานไปทั้งหัวใจด้วยความหวาดกลัวสุด ข, ขีดพูดตามตรงว่าในตอนนั้นผมกลัวจนแทบจะร้องไห้ออกมาเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะรับมือกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนี้อย่างไรดี จึงได้แต่ยกมือขึ้นอุดหูเพื่อหลีกหนีจากเสียงที่น่ากลัวนั้นผมอุดรูหูทั้งสองข้างแน่นสนิทจนไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงโซ่ผ่านไปประมาณสิบนาทีผมก็ลองถอนนิ้วออกจากหูและลองฟังปรากฏว่าเงียบสนิทเสียงนั้นหายไปแล้วผมทั้งดีใจและประหลาดใจไปพร้อมๆกันแต่ก็อดสงสัยตัวเองไม่ได้ว่าหรือเราจะคิดหลอนไปเองคืนต่อมา เสียงนั้นก็กลับมาอีกครั้งในเวลาเดิมมันดังออกมาจากบริเวณหน้าห้องนอนผมเช่นเดิมแต่คราวนี้ผมไม่ตกใจกลัวเท่าคืนก่อนแล้วเพราะคิดว่าเสียงประหลาดนี้อาจไม่ใช่เสียงผีบางทีอาจเป็นเสียงลมพัดโดนวัตถุบางอย่างหรืออาจเป็นแค่เสียงสัตว์วิ่งชนของก็เป็นได้ผมคิดได้แบบนี้จึงลุกขึ้นจากเตียงกะว่าจะออกไปเดินสำรวจดูให้รู้เลยว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่แต่ทันทีที่ผมลุกขึ้นยืน เสียงน่ากลัวนั้นก็หายไปทําให้ผมลังเลว่าจะออกไปดีหรือไม่คิดอยู่ครู่หนึ่งผมก็สายหน้าและบอกตัวเองว่ายังไงซักก็เดินสํารวจให้มันรู้ดํารู้แดงกันไปเลยคืนนี้ละ่ะและเมื่อคิดได้ดังนั้นผมก็รวบรวมความกล้าเดินไปหยิบไฟฉายจากตู้เสื้อผ้าแล้วไปที่ประตูค่อยๆเปิดมันอย่างช้าๆในตอนนั้นผมเผลอหลับตาด้วยความลืมตัวเมื่อประตูถูกเปิดจนสุดบานผมกลั้นใจลืมตาขึ้นแต่ว่า กลับไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดบริเวณหน้าห้องนอนใจของผมเริ่มชื้นขึ้นเล็กน้อยผมลงไปชั้นล่างเพื่อสำรวจตามจุดต่างๆรวมถึงสวนรอบบ้านด้วยแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยสักที่เดียวผมจึงสบายใจขึ้นและคิดว่าจะกลับไปนอนแต่ก่อนกลับผมเข้าห้องน้ําที่ชั้นล่างและในเวลานั้นเองผมก็ได้ยินเสียงโซ่และเสียงฝีเท้าอีกครั้งคราวนี้ผมขนลุกขึ้นมาจริงๆเลย คิดว่าจะใจแข็งวิ่งจากห้องน้ําขึ้นชั้นบนพุ่งเข้าห้องนอนไปเลยแต่เมื่อผมเปิดประตูห้องน้ําแล้วมองขึ้นไปยังชั้นบนผมเห็นเท้าของคนซึ่งมีโซ่ตรวนสวมอยู่ที่ข้อเท้ากําลังเดินวนเวียนอยู่บริเวณหน้าห้องนอนโซ่ที่ข้อเท้านั้นห้อยรุงรังและลากกับพื้นทําให้เกิดเสียงดังที่น่าสยดสยองนั่น <What? S 1> ผมตกใจตะก่อนลั่นบ้านแล้วเรียกวิ่งไปเปิดไฟให้สว่างรอบบ้านเมื่อผมมองขึ้นไปอีกครั้ง ข้อเท้าปริศนานั่นก็หายไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ผมกลัวจนไม่กล้ากลับขึ้นไปข้างบนจึงตัดสินใจนอนชั้นล่างที่โซฟาห้องนั่งเล่นโดยที่เปิดไฟทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนแต่เรื่องสยดสยองที่เจอมาก็ทำให้ผมหลับยากผมนอนกระสับกระสายอยู่อย่างนั้นจนเกือบเช้าและมาเริ่มง่วงในตอนรุ่งสางจนเผลอหลับไปโดยไม่ทันรู้ตัวและผมก็ฝันร้ายฝันเห็นคนกลุ่มหนึ่งมีประมาณห้าคน เป็นชายสามหญิงสองทุกคนแต่งตัวคล้ายคนโบราณคือนุ่งจงกระเบนผู้หญิงคาดผ้าแถบผู้ชายไม่ใส่เสื้อแต่มีลายสักเต็มตัวสภาพของทุกคนโซรมมากทั้งศกลกบกมอมแมมผมกระเซิรทั้งตัวมีแต่รอยเลือดและบาดแผลที่สำคัญทุกคนถูกล่ามโซ่ที่ข้อเท้าคนพวกนั้นจ้องผมด้วยแววตาทมึงทึงราวกับอยากจะฆ่าแกงพร้อมกับร้องตะโกนเสียงเดียวกันว่าออกไป วันต่อมาผมได้โทรไปหาเจ้าของบ้านเช่าเพื่อถามถึงประวัติบ้านหลังนี้ว่าเคยมีคนตายมาก่อนหรือไม่ซึ่งป้าเจ้าของบ้านก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่มีพร้อมกับอ้างว่าบ้านเพิ่งสร้างเสร็จไม่กี่เดือนเองจะไปมีคนตายได้ยังไงผมก็ไม่เชื่อเขาจึงไปถามคนอื่นๆดูบ้างแต่พวกเพื่อนที่ทํางานของผมในโรงเรียนเกือบทุกคนก็พูดเหมือนเจ้าของบ้านเช่าว่าบ้านหลังนั้นไม่เคยมีประวัติคนตายเลยจริงๆทําให้ผมสับสนมาก แล้วก็กลับมาสงสัยตัวเองอีกครั้งว่าหรือบางทีเรื่องน่ากลัวทั้งหมดที่ทเจอมาไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือภาพน่าสยองขวัญต่างๆนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ผมสร้างมาเองทั้งสิ้นผมหลอนไปเองทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็เป็นเรื่องดีเพราะไม่มีอะไรให้กลัวบ้านหลังนั้นอีกแล้วผมจึงพยายามมองในแง่ดีเช่นนั้นพอตกกลงคืนผมก็นอนไม่หลับจึงตัดสินใจกินยาแก้แพ้เพื่อทาให้ง่วงจนสามารถหลับได้และแล้ว มันก็มาอีกเสียงฝีเท้าและโซ่ตรวนนั่นผมสะดุ้งตื่นแต่ด้วยความกลัวจึงไม่กล้าลืมตาขึ้นในใจนั้นคิดระแวงไปต่างๆนานากลัวว่ามันจะเข้ามาในห้องแต่แล้วก็เหมือนผู้ที่ทำเสียงนั้นรู้ทันถึงสิ่งที่ผมกำลังคิดเพราะจูๆ่ๆเสียงฝีเท้าและเสียงโซ่ก็หยุดลงเสียงที่เข้ามาแทนที่ คือเสียงประตูกำลังถูกเปิดออกช้าๆและเสียงฝีเท้าผมรู้สึกได้เลยว่าอะไรบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาหาผมในตอนนั้นผมกลัวจนแทบฉี่ราดอยากร้องไห้ก็ร้องไม่ออกตัวผมสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ขนาะเดียวกันผมก็พยายามหลับตาปี๋และตั้งใจว่าไม่ว่ายังไงก็จะไม่ลืมตาเด็ดขาดแต่แล้วด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมจึงแอบลืมตาขึ้นมามองเล็กน้อยและสิ่งที่เห็นตรงหน้า ก็ทำให้หัวใจผมแทบวายเพราะขนาดนี้มีคนห้าคนกำลังยืนล้อมรอบเตียงผมเป็นกลุ่มคนแต่งตัวโบราณที่มีโซ่ล่ามเท้ากลุ่มเดียวกับที่เห็นในฝันผมช็อกอ้าปากค้างตัวแข็งทื่อทันใดนั้นเองผู้หญิงสองคนในกลุ่มนั้นก็กรีดร้องโหยหวนขึ้นมาพร้อมกับโน้มตัวเข้ามาใกล้ผมออกไปผมกระชากประหมคุณปองโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกให้พ้นจากพวกมัน แต่ว่ากลับมีมือยาวๆสีขามือหนึ่งสอดเข้ามาใต้ผ้าผมแล้วดึงขาผมผมร้องเสียงหลงและสะบัดขาให้หลุดจากมืออันน่าขยะแ ข, ขยงนั่นเมื่อหลุดออกมาได้แล้วผมก็กระโดดจากเตียงวิ่งไปที่หน้าต่างและแตัดสินใจทําสิ่งที่บ้าระห่า ม, มากนั่นคือผมกระโดดลงมาจากหน้าต่างชั้นสองเพื่อนหนีผีพวกนั้นผมวิ่งหนีพวกมันไปโดยไม่คิดชีวิตวิ่งไปที่หอพักของเพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันซึ่งอยู่หลังโรงเรียนไม่ไกลจากบ้านเช่า เมื่อไปเจอเพื่อนผมสารภาพกับเขาตามตรงว่าถูกผีหลอกมาและไม่กล้ากลับไปที่บ้านอีกต่อไปแล้วผมขอนอนพักที่หอกับเขาสักคืนแน่นอนว่าเพื่อนผมต้องตกใจมากแต่ก็ด้วยความเห็นใจเขายอมให้พักด้วยคืนหนึ่งวันต่อมาผมโทรไปขอยกเลิกเช่าห้องกับทางเจ้าของบ้านโดยไม่ลังเลเลยสักนิดเดียวแถมยังตอว่าเขาไปตามตรงด้วยว่าบ้านนี้มีผีเฮี้ยนมากไม่ควรปล่อยให้ใครมาเช่าอีกแล้วและวันเดียวกันนั้น ผมก็กรอบไปเก็บของที่บ้านหลังนั้นโดยชวนเพื่อนไปด้วยผมใช้เวลาเก็บของไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยเพราะความรีบร้อนที่อยากจะไปจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดแต่เมื่อเก็บกระเป๋าเสร็จผมมานั่งพักเหนื่อยที่โซฟาแล้วก็รู้สึกเพลียขึ้นมาอย่างน่าประหลาดจนผมเผลอหลับไปแล้วก็ฝันเห็นพวกมันอีกครั้งผีพวกนั้นยืนจ้องผมจากชั้นบนตรงหน้าห้องนอนครั้งนี้ตาของพวกมันแดงกล่าเหมือนปีศาจ ผีผู้ชายตัวหนึ่งในกลุ่มนั้นตะ้อขึ้นมาว่ามึงจะเอาไงมึงจะไปไหมถ้ามึงไม่ไปมึงตายแนะ่ผมที่ยังนอนอยู่ที่เดิมยกมือขึ้นพ น, นมไหว้พวกมันแล้วพูดว่าปล่อยผมไปเถอะผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วแต่พวกมันตอบกลับด้วยเสียงหัวเราะที่น่ากลัวจับใจและทันใดนั้นเองผีผู้ชายที่ตะคอกก็กระโจนลงมาจากชั้นสองพุ่งเข้ามาบีบคอผมผมสะดุ้งตื่น แล้วพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายมันกลับขยับไม่ได้คล้ายกับว่าผมกําลังถูกผีอัมผมตกใจได้อมองหาเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือขณะเดียวกันผมก็เพิ่งรู้สึกตัวว่ายังรู้สึกแน่นที่คออยู่เหมือนในฝันจึงก้มมองคอปรากฏว่ายังมีมือขาวๆบีบคอผมอยู่และผมก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังเข้ามาในหูเป็นเสียงของพวกมันผมทําอะไรไม่ถูกจึงร้องไห้พนมมือสวดมนต์ท่องนโมตะสะัสสัสนโมตะสะัสสัพ แต่ว่าพวกมันกลับลัวร้องยาอดังขึ้นไปอีกทั้งยังส่วนมวนไปพร้อมๆกับผมด้วยเพื่อเย้ยหยันนั่นทำให้ผมรู้สึกอับจนหนทางจริงๆผมร้องไห้ออกมาและพูดว่าขอ้องละอย่าทอะไรผมเลยผมกลัวแล้วกาลังจะไปจากที่นี่วันนี้แล้วเมื่อพูดจบมือสีขาวนั่นก็ยังไม่ไปไหนแต่เสียงของพวกมันหายไปจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงเพื่อนร้องเรียกผมจึงสะดุ้งตื่นและเพิ่งรู้ตัวว่า ทั้งหมดที่เจอนั้นเป็นเพียงฝันร้ายหลายวันต่อมาหลังจากย้ายออกจากบ้านเช่าหลังนั้นผมก็มีโอกาสได้คุยกับครูใหญ่หัวหน้างานของผมครูใหญ่บอกว่าข่าวเรื่องผมเจอผีหลอกในบ้านหลังนั้นดังไปทั่วโรงเรียนครูทุกคนก็พูดกันให้แท้ผมยอมรับกับครูใหญ่ว่าผมถูกผีหลอกมาอย่างที่เขาว่าจริงๆพร้อมกับถามครูใหญ่เหมือนอย่างที่เคยถามคนอื่นๆมาว่าที่บ้านหลังนั้นเคยมีคนตายมาก่อนหรือไม่ ครูใหญ่พูดเหมือนอย่างทุกคนคือบ้านหลังนั้นไม่เคยมีคนตายมาก่อนแต่ว่าที่ตรงนั้นซึ่งใช้ปลูกบ้านเป็นที่แรงไม่เบาเพราะเคยเป็นลานประหาร น, นักโทษมาก่อนในสมัยโบราณเชื่อว่าวิญญาณที่ตายตรงนั้นคงหวงที่ไม่ต้องการให้ใครมาอยู่อาศัยทับที่ตายของตนแม้แต่เจ้าของบ้านคนเดิมก็ยังเคยถูกหลอกหัวโกลนมาแล้วจึงอยู่เองไม่ได้เลยต้องมาเปิดเป็นบ้านเช่าให้คนอื่นรับเคราะแทนอย่างเช่นที่ผมเจอ อย่างไรก็ตามบ้านหลังนั้นปัจจุบันยังถูกปล่อยให้เช่าอยู่ต่อไปจนถึงทุกวันนี้ไม่แน่บ้านเช่าของคุณอาจจะเคยเป็นที่ตายของใครมาก่อนก็เป็นได้ หากชอบใจอย่าลืมกดติดตามเราไว้ด้วยนะครับฝากแชร์หรือกดไลค์ให้ด้วยนะครับจะทำผลงานดีๆออกมาให้อีกเรื่อยๆเลยครับหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ